พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สมกราคม2557้าห้าในวันเคลื่อนย้ายสลีระไปสู่เมนและวันนี้เป็นวันที่สาม มกราคมพุทธศักราช2557ตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือนสองปีไมเมียเวลา 6.30 นวันนี้นะ6นาฬิกา6โมงเช้าน30นาทีพระสงฆ์สัมมเนรรับบิณฑบาตถวายพระตาหานไิสูสัมเนรเอ่อแต่ขณะนี้ก็เอ่อ7นาฬิกา55นาที พระสงฆ์จัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าวปารบเรื่องงานให้กับคณะทาญาติโจรได้ฟังแล้ววันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งพรพวกเราจะได้รวมกันเคลื่อนย้ายสรีระคือว่าเคลื่อนย้ายศพหรือว่าเคลื่อนย้ายศรีระของหลวงปู่ออกจากศาลา ไปสู่เมนที่พวกเราสร้างเนี่ยเวลาสิบสามสิบสามนอกเวลาบ่ายโมงกับสิบสามนาทีภิกษุสัมมาณีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันณนศะาลากา ร, รเรียนเพราะฉะนั้นขอประกาศให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่านะต้องดูนาฬิกาเอาไว้ ถ้าว่าผู้ใดมาก่อนก็ได้นั่งศาลาท่านผู้มาทีหลังก็ น, นั่งขยับออกไปอันนั้นเป็นธรรมดาผู้มาทีหลังจะบุกลุกเข้ามาแถวหน้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฟังเอาไวน้นะคณาจารย์ารายญาติโยมลูกหลานเวลาสิบสาคือบ่ายโมงกับ13บสามนาทีมารวมกันที่ศาลาแห่งนี้แล้วก็จะมีการไหว้พระ สมาทานศีลซะก่อนก่อนที่จะยกโยกย้ายของศลีละของหลวงปู่ออกจากศาลาการที่จะโยกย้ายออกจากศาลาเนี่ย อ, อันดับแรกคงจะให้พระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้สิทธิ์ลูกสิทธิ์ของหลวงปู่ของเราที่จําพรรษาที่นี่ละ เ, เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเอาศลีละของหลวงปู่ออกมาจากหีบ ออกมาจากตู้เย็นควรจะเป็นพระเท่านั้นแล้วก็เมื่อเอาออกมาแล้วเอามาตั้งแล้วทุนี้ต่อไปก็คงจะเมื่อยกขึ้นไปแล้วก็คงจะมอบให้เจ้าหน้าทีเา่เจ้าหน้าที่ที่เราได้เตรียมเอาไว้คงจะเดงหามาขึ้นเลียงาจากนั้นก็เดินขบวนเป็นขบวน การขบวนเดือนขบวนนี่ก็ควรจะพระสงฆ์จะนำหน้าแต่ถ้าพระสงฆ์มากเกินไปหลวงพ่อว่าน่าจะพระสงฆ์จะน่าจะอยู่แถวในยืนประนมมือนะขณะที่หามสเลระของหลวงปู่ผ่านไปพระสงฆ์น่าจะยืนแถวในยืนประนมมือแต่คณะสัตายาญาติยม นั่งถัดจากพระสงฆ์ไปก็น่าจะนั่งประนมมือเออแต่คงผู้ที่เดินขบวนตามขบวนก็มีแต่ถ้าจะเดินทั้งหมดหลวงพ่อมั่นใจว่าคงจะไม่มีไม่มีที่ไปที่มาคงจะแน่นไปหมดอันนี้คือหลวงพ่อมีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายสรีระขององค์องหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดูแล้วก็สวยงามสวยงามเพราะเหตุไรเพราะว่า คณะสัาาตยาธิโยมนั่งปนมมือพระสงฆ์ยืนอยู่แถวหน้าพาสังฆาติยืนปนมมือเพื่อแสดงความเคารพในองคหลวงปู่แล้วก็สัตย า, าติโยมอยู่เบื้องหลังหรือเมชียอยู่ถัดจากพระยืนออกไปจากนั้นขบวนก็ได้เดินเดินไปตามพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุพัรษา แต่ที่วัดป่าบ้านตากเราจัดให้พระพรนศาตั้งแต่40สขึ้นไปเป็นผู้นําขบวนแต่ขนาดนั้นก็ยังมีพระมาประท้วงมันหลวงพ่อเหมือนกันนะเรื่องพ่อเลือกพักเลือกพวกหลวงพ่อว่าช่วยไม่ได้เพราะท่านบวชที่หลังเนี่ยท่าจะเดินก่อนได้อย่างไรถ้าจะให้เดินทั้งหมดก็เดินไม่ได้สิมันแน่นพระเป็นหมื่นจะไปเดินได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อก็มีเหตุผล แต่เขาก็ว่าเขาเปิดทวงบอกว่าอยากจะให้พระที่บวชเข้ามาแล้วก็จะเดินหลวงพ่อว่าควรจะคัดสรร น, นะอันนี้คือที่เดินที่วัดป่าบ้านตาแต่วัดหลวงปู่ของเราเนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าอยากลึกถึงขนาดนั้นนะแต่นี้ก็ได้มีแต่ประชุมหารือกันต่างเจ้าอาวาสหรือว่าคณะสงฆ์ท่านจะคุยเจรในกันอย่างไรพวกเรายังค่อยดูก็แล้วกันนะหรือมาลุมมาตุ่มวน มวยวัดอย่างาก็ค่อยดูกันเลยจะจัดเป็นขบวนเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไรอันนี้ก็ค่อยดูกันค่อยฟังโคศกนะพี่น้องประชาชนอันนี้หลวงพ่อพูดเข้าๆให้ฟังว่าพวกเราจะเดินกันยังไงนะถ้าจะเดินกันมาลุก ม, มาตุ้มเนี่ก็คงจะเต็มไปหมดในถนนไม่มีทางไปทางมาเหมือนกันพอขึ้นไปถึงเมน์แล้วคงจะไปจุกจกอยู่ที่นั่นอีกเดินไปที่ไหนไม่ได้อีก เอพราะนั้นเดินพอไปถึงเดินไปทางหน้าวัดนะคณะสัตยาญาติโยมถ้าว่าใครอยู่แถวนี้ก็เดินไปทางหน้าวัดขบวนองค์หลวงปู่นะแห่ไปทางหน้าวัดจากนั้นก็เดินเข้าไปไปถึงนู่นนะทางเข้าติดหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าถนนทางหน้าหน้านกหักขจดีลิงนะเออที่นกัจดีลิงหันหน้าไปทางไหนก็เข้าไปทางนั่นแหละ แต่นี่ลงปู่ก็เดินแห่ลงปู่ขึ้นไปทางหน้านกขัดจะดีเิงพอไปถึงชั้นที่นั่นก็เดินเวียนพระทักษิณเวียนขวานะแต่ตามไม่จริงถ้าหา ว, ว่าศพชาวบ้านเขาจะเวียนซ้ายนะแต่นี้เป็นศพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระทักษิณที่ให้พวกเราให้ความเคารพนับถือเรื่มใสเราต้องไปเวียนขวาเพราะว่าท่านเป็นพระ สงสาวกหรือว่าเป็นพระอริยะสงฆ์หรือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเราต้องเวียนขวาเมื่อเวียนขวาเสร็จแล้วเราก็ได้เอาศรีระของหลวงปู่ขึ้นไปบรรจุที่เมนอันนี้ก็คือพูดให้เข้าๆให้กับพวกเราลูกหลานได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดเอาไว้ว่าเวลาเราจะมามาเมื่อไหร่พวกเราจะมาประชุมกันเมื่อไหร่ มาเมื่อถึงศาลาแล้วพวกเราก็คงจะทําพิธีคารวะก่อนมห้าเทเรปมาเทนะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังองค์หลวงปู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอองค์หลวงปู่จงโปรดประทานอาหิอภั ย, ภยให้กับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินอันี้มหาเทเรปมาเทนะจากนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้คณะสง วัดป่าวิเวกพัฒนารามนี่ยนะหรือว่ากลุ่มที่ที่รู้รอบรู้เคลื่อนย้ายสิริละของหลวงปู่ออกมาจากที่ตั้งจากนั้นก็คงจะได้เอามาที่ที่หาบที่หามาที่จะหามไปนั่นนะที่เขาเรียกอะไรมนดบที่จะยกขึ้นไปาจากนั้นพี่น้องประชาชนาผ้าสงฆ์ทั้งหลายเก็จะเดินนำหน้า ขรรจการผู้ใหญ่เดินตามหลังติดติดกับองหลวงตาแต่ที่ดูที่วัดป่าบ้านตาเมื่อแห่อย่างนี้ทนก็หม่อมฟ้าหญิงจุฬาพรท่านก็นั่งรถติดจากองหลวงตาต่อลงมาจากนั้นก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือขรรชการผู้ใหญ่เดินถัดลงไปส่วนแถวหน้าก็คือพระสงฆ์ กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งประมาณร้0ยสององค์แต่พระสงฆ์ที่ไม่ได้เข้าในขบวนก็ยืนปนมมือสื่สองฝากฝังแล้วพี่น้องประชาชนก็นั่งฮุกเข่านั่งปนมมือกัสุดแท้แต่ใครจะนั่งถ้าหากว่าจะนั่งเก้าอี้ก็ขยับให้ห่างออกจากตรงที่ขบวนจะเดินจากนั้นก็ปนมมือพูดโทพูดโทพูดโทพุโทโธ แล้วก็จะสวดอิติปิโสก็ได้อิติปิโสพระวารหังสัมมาสัมพุทธโธวิธชาจารณนะสัมปันโนเรียกว่ากาบระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่บุญบา ร, รมีของหลวงปู่ได้สั่งสมม า, ามากมายหลายภพหลายชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ขอให้คุ้มครองลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเธอนึกในใจนะใครๆมาไหว้ องหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่จะเดินเอาขอบวนผ่านไปเนี่ยจากนั้นก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนถึงขึ้นเมนแล้วก็คืนนี้คืนวันที่สาตั้งแต่คืนวันที่สเป็นต้นไปก็คงจะมีการประกอบพิธีอยู่ที่เมนแล้วนะทีนี้นะคณะสัตยาญาติโยมก็คงไปร่วมกันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังสวด มาติกาบางสกุลอยู่ที่เมนจนถึงวันที่สามวันนี้วันที่สามวันที่สี่นะแล้ววันที่ห้ายังค่อยว่ากันอีกนะขนะศรัทธา ญ, ญาติโยมถ้าจะที่อธิบายไปจนถึงไปชุมพระราชทานเพลิงแล้วก็เก็บสรีระขององค์หลวงปู่วันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหาร ว, วันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะเอารับพรในที่นี้นะ